ราชการผู้หนึ่งได้ทุนรัฐบาลไปเรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษเพิ่งกลับมาเขาฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องนักหากก็อยากจะอวดว่าตัวเองเก่งจึงขอให้พระอาจารย์ช่วยแปลภาษาอังกฤษให้ฟังเขาแน่ใจว่าท่านแปลไม่ได้ถึงท่านจะเก่งภาษาบาลีแต่ภาษาอังกฤษท่านไม่รู้หรอกแล้วเขาก็ขอให้พระอาจารย์แปลข้อความที่ท่านยกมาให้ฟัง พระอาจารย์ไม่รู้จึงขอความช่วยเหลือจากเห็นหนอเห็นหนอออกตัวว่าก่อเรียนมาด้วยกันตกมาด้วยกันและจะช่วยได้ยังไงว่าแล้วก็บอกลาและทิ้งท่านไปอย่างไม่เหลือเยื่อใยท่านจึงต้องพึ่งรู้หนอด้วยการกําหนดรู้หนอรู้หนอรู้หนอสามครั้ง รู้หนอจึงบอกอย่างเลกเกลี้ยงไม่ได้ว่างั้นก็ว่าตามดังนี้ A single letter of the Buddha's teaching is w o r d สเวิร์ต a าบหนุ่มนักเรียนนอกรู้สึกผิดหวังและเสียหน้าที่พระอาจารย์เก่งไปหมดซทุกเรื่องไม่เหลือไว้ให้เขาโชว์ออฟบ้างเลยพระอาจารย์ถือโอกาสใช้รู้หนอช่วยสำรวจตรวจสอบว่า ที่ท่านแสดงธรรมมาเป็นเวลา40นาทีพอดิบพอดีนี้ผู้ฟังทั้งสองมีใครเข้าใจมากน้อยต่างกันอย่างไรรู้หนอบอกทันทีไม่รีรอว่าเท่าแก่เสงใจบนได้เต็มร้อยพอ อ, อได้90ที่เหลือนอกนั้นได้20ถึงห0บบอกเสร็จก็ขอลาเพราะได้เวลาพักผ่อนแล้วคืนที่ห้าของการปฏิบัติ ท่านพระครูมาตรงเวลาเช่นทุกคืนคือสองทุ่มยสิบท่านให้หนายขุนทองนำพานทุบเทียนแผ่และพวงมาลัยดอกมะลิมาด้วยเพราะวันนี้นางดาวเรืองจะได้บทเรียนราคาแพงท่านรู้ว่าคืนนี้หล่อนรู้สึกอยากจะเดินจงกรมทางด้านหลังสุดจึงหลีกไปเดินตามที่ใจอยากขณะที่เดินเพลินๆอยู่นั้นก็พบสามีเดินจงกรมมาทางหล่อน เขาเดินอย่างสำรวมดูน่าเลื่อมสายนะักหลอนดีใจแทบจะโผกเข้าไปกอดหาก็ยับยั้งใจไว้ได้เพียงแต่อุทานว่าคุณพี่แล้วเดินเข้าไปหาโดยกำหนดขวาซ้ายขวาซ้ายไม่มีหนอสามีหลอนหยุดเดินใช้นิ้วแตะริมฝีปากส่งเสียงจุ้จุเบาๆเมื่อหลอนหยุด เขาจึงยิ้มน้อยๆพยักหน้านิดๆให้หลอนแล้วจึงกาหนดยืนหนอห้าครั้งและกลับหนอสีคู่ลลอนดีใจที่สุดในชีวิตปฏิบัติอย่างมีความสุขและคิดว่าจะเลิกเล่นไพ่อย่างเด็ดขาดเพราะได้สิ่งที่มีค่าที่สุดกลับคืนมาแล้วจะไม่ยอมให้หลุดมือไปอีกเมื่อพระอาจารย์กล่าวพระรัตนตรยัย และเดินมานั่งยังอาสนะแล้วอาจารย์ยุพินจึงบอกผู้ปฏิบัติธรรมกราบท่านด้วยเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งแล้วนั่งพับเพียรประนมมือไว้พระอาจารย์พูดว่าคืนนี้เป็นคืนที่หอาตมาจะไม่แสดงธรรมแต่จะให้ผู้ปฏิบัติธรรมแสดงแทนเพราะอาตมารู้ว่ามีบางคนที่เกิดสภาวะธรรมและจะมาแสดงธรรม ให้เพื่อนสหธรรมมิกฟังท่านหมายถึงนางดาวเรืองและแม่เชิญศรีเอาละทุกท่านเอามือลงและตั้งใจฟังจากนั้นท่านจึงชี้มาที่สตรีซึ่งนั่งแถวหน้าทางทิศอคัคนีถามว่าโยมปฏิบัติได้สภาวะทำอะไรบ้างออกมาแสดงธรรมให้เพื่อนสหธรรมมิกฟังหน่อยสิ นางดาวเรืองคลานออกมาข้างหน้าหลอนไม่รู้สึกเขินอายแต่อย่างใดเพราะตอนเดินจงกรมเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาหลอนได้พบหัวรักแล้วเขาไม่มีท่าทีว่ากโกรธเคืองหลอนเลยแม้แต่น้อยอาจารย์ยุพินส่งไมโครโฟนให้หลอนหลอนยกมือไหว้และจึงรับมาถือไว้พูดผ่านไมโครโฟนว่าพระอาจารย์เจ้าคะ โยมต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมานี้โยมพบสามีแล้วเจ้าค่ะพบในหอประชุมนี่เองพระอาจารย์ช่างวาจาสิทธิ์เสือเกินพูดจบก้มลงกราบพระอาจารย์สามครั้งอ้าวพบแล้วหรือไหนคนไหนเป็นสามีของโยมคนนี้ช่วยออกมาข้างหน้าหน่อย พอ่ออกกองการเจ้าหน้าที่ออกมานั่งข้างหน้าห่างจากภรรยาประมาณสองเมตรเขากราบท่านสามครั้งด้วยเบญจางคับประดิษฐ์จากนั้นท่านจึงให้ในายขุนทองนําพานทูบเทียนแพรพร้อมพวงมาลัยดอกมะลิมาให้นางดาวเรืองและโดยที่พระอาจารย์ไม่ต้องบอกบทนางดาวเรืองก็นําพานทูบเทียนแพรและพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบเท้าสามี ร้อมกับกล่าวคำขอขมาโดยผ่านทางไมโครโฟนผู้ปฏิบัติที่เป็นสตรีถึงกับน้ำหูน้ำตาไหลาไปกับหล่อนกลาบสามีแล้วนางดาวเรืองก็ได้เล่าสาเหตุที่ทำให้ต้องขอขมาซึ่งเท่ากับหล่อนแสดงธรรมให้เพื่อนสหธรรมิกฟังหากหล่อนไม่ได้มาเข้ากรรมฐาน เป็นตายอย่างไรหล่อนก็ไม่ยอมกราบเท้าขอขามาสามีตอนหน้าคนตั้งมากมายอย่างนี้เพราะทิฐิมานะในตัวหล่อนจะไม่ยอมให้ทำเช่นนั้นอย่างเด็ดขาดเวลาห้าคืนห้าวันที่ปฏิบัติธรรมได้เปลี่ยนพฤติกรรมของหล่อนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวพระอาจารย์ให้ศีลให้พรหล่อนและบอกว่าการที่หล่อนกลับเนื้อกลับตัวได้ จะทำให้หล่อนมีความสุขในชีวิตจะมีคนมีบุญมาเกิดในคันการที่หล่อนยังไม่มีลูกเพราะทำตัวไม่ดีคนมีบุญเขารอมาเกือบยี่สิบปีแล้วเมื่อเขามาเกิดพอ อ, อจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองอธิบดีและก่อนกเกษียณอายุราชการก็จะได้เป็นอธิบดีการมีภรรยาดีและมีลูกดี จะช่วยส่งเสริมเติมแต่งชีวิตเขาให้พบแต่สิ่งดีๆมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนางดาวเรืองแสดงธรรมเสร็จจะกลับไปนั่งที่แล้วพอออกก็กราบพระอาจารย์และเดินอย่างสำรวมไปนั่งอย่างที่ของตนซึ่งอยู่ปลายแถวด้านทิศพายัพพระอาจารย์จึงถามว่ามีผู้ใดประสงค์จะแสดงธรรมให้เพื่อนสหธรรมิกฟังอีก แม่เชิญสียกมือและครานออกมาจากแถวกราบพระอาจารย์แล้วรับไมโครโฟนจากอาจารย์ยุพินหล่อนเพิ่งรู้สาเหตุแห่งความทุกข์ที่แท้จริงในชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองและเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าเหตุใดในโทจึงทําร้ายหล่อนทั้งร่างกายและจิตใจหล่อนทุกจนเจียนจะบ้าอยากจะฆ่าตัวตายหลายครั้งบัดนี้หล่อนพบแล้วว่าสาเหตุมาจากหล่อนนั่นเอง หากหล่อนไม่ทำกับเขาก่อนก็ไม่มีเหตุอันใดที่เขาจะมาทำร้ายหล่อนอย่างไรก็ตามการแสดงธรรมในครั้งนี้หล่อนจะไม่พูดพาดพิงถึงหลวงพ่อจะไม่บอกคนฟังว่าหล่อนเป็นแม่ในอดีตของท่านเพราะดีไม่ดีคนที่มีจิตอกุศลจะคิดอกุศลต่อท่านทำให้เขาได้รับบาปอากุศลจากการฟังซึ่งไม่อยู่ในธรรมศวนานิสง ข้อหนึ่งข้อใดในห้าข้อเลยอีกเหตุผลหนึ่งที่หล่อนไม่แสดงตัวก็คือหล่อนอายุน้อยกว่าท่านพวกที่มีจิตอกุศลจะพาการสงสัยว่าทําไมแม่ดูแก่น้อยกว่าลูกอะไรทํานองนี้กร่าวน้ำสการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงหล่อนไม่เรียกท่านว่าหลวงพ่ออย่างที่เคยเรียกเพราะถือคติว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตาม ดิฉันนางเชิญสีขอกราบแทบเท้าพระอาจารย์ที่เมตตาให้โอกาสดิฉันได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงเป็นเวลาสิบห้าวันวันนี้เป็นวันที่สิบสองของการปฏิบัติดิฉันพบสาเหตุของทุกข์แล้วเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองดิฉันจะขออนุญาตเล่าในหอประชุมนี้และขอความกรุณาพระอาจารย์ปโปรดพิจารณาด้วยว่า สิ่งที่ดิฉันรู้และเห็นในขณะนั่งกรรมฐานนั้นเป็นของจริงหรือว่าดิฉันปรุงแต่งขึ้นมาดิฉันขออนุญาตเล่าถวายดังนี้ดิฉันเป็นลูกสาวคนเดียวของเตี่ยกับแม่มีพี่ชายสองคนเตี่ยมีอาชีพค้าขายฐานะของเราอยู่ในขั้นมีอันจะกินเมื่อดิฉันเป็นสาวมีเรื่องต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะมีคนมาโกงเงินในส่วนที่เป็นของดิฉัน ดิฉันไปศาลจนรู้จักผู้พิพากษารู้จักอายการหลายคนผู้พิพากษาและอายการที่ยังไม่มีครอบครัวพากันสนใจดิฉันแต่ดิฉันก็ไม่รู้สึกชอบพอคนไหนเลยต่อมาก็มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นเสียนอยู่ในศาลผู้คนพากันดูถูกดูหมิ่นเขาว่าเป็นคนหากินตามตีนโรงตีนศาลแต่แปลกที่ดิฉันกลับมองไม่เห็นว่าเขาเป็นคนต่ำต้อย หลอนหยุดนิดนึงแล้วจึงเล่าต่อในที่สุดเราก็รักกันและแต่งงานกันค่าใช้จ่ายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าสินสอดค่าปลูกเรือนหอค่าชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวดิฉันเป็นคนออกทั้งหมดเขาไม่ได้จ่ายแม้แต่สตางแดงเดียวแต่ดิฉันก็ไม่เคยมองเขาในแง่ร้ายไม่ว่าแม่และพี่ชายสองคนจะพยายามกีดกันอย่างไร ดิฉันก็แต่งงานกับเขาจนได้พอดีเตี่ยเสียก่อนที่ดิฉันจะแต่งงานหนึ่งปีหากเตี่ยยังคงอยู่ก็คงจะเห็นด้วยกับแม่และพี่ๆหลังจากแต่งงานเขาก็ออกลายเริ่มผลานสมบัติของดิฉันจนหมดเนื้อหมดตัวทรัพย์สินส่วนที่เป็นของดิฉันที่จำนองพี่ชายคนโตเพื่อนำเงินมาให้เขาก็ถูกพี่สะพ้ายใช้เล่เหลี่ยมยึดไป พอดิฉันหมดตัวเขาก็ยังตามมาไถาอีอจนดิฉันแทบจะฆ่าตัวตายหล่อนคงเห็นว่าจะพูดเย่นเย้อมากไปจึงสรุปว่าดิฉันทนทุกมาเกือบสิบปีโชคดีที่เราไม่มีรูปด้วยกันบังเอิญแม่ดิฉันไม่สบายดิฉันจึงพามาหาพระอาจารย์ หวังให้ท่านช่วยพระอาจารย์ก็สั่งอาจารย์ยุพินให้ไปซื้อชุดขาวมาให้ดิฉันกับแม่และให้เข้ากรรมฐ า, าน15วันดิฉันก็ปฏิบัติมาตั้งแต่รุ่นที่แล้วจนมาถึงรุ่นนี้แต่เมื่อตะกี้นี้เองคือเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาดิฉันก็พบสาเหตุดิฉันขอเล่าย่อยๆนะคะดิฉันระลึกได้ว่าดิฉันเกิดในกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สามีเป็นภรยาและเป็นแม่ทัพพอสามีตายลูกชายก็ได้เป็นแม่ทัพแทนบิดาแต่ยศยังไม่ถึงพระยาเป็นแค่พระในบ้านเรามีทาดผู้ชายหลายคนคนหนึ่งชื่อนายโทดิฉันไม่ทราบว่าเป็นอะไรรู้สึกไม่ชอบหน้านายโทเอาเสียเลยต่อมาก็กลายเป็นจงเกลียดจงชังอย่างที่สุดเขาทำผิดอะไรแม้เล็กน้อย ดิฉันก็จะให้ทาตในเรือนเขี่ยนเขาอย่างทารุณทุกครั้งบางวันดิฉันก็ลงมือเคี่ยนเองครั้งสุดท้ายดิฉันเคี่ยนเขาจนตายขามือก่อนสิ้นใจเขาชี้หน้าดิฉันบอกว่ามึงจำไว้กูจะจองเวรจองกรรมกับมึงชาติหน้ากูจะเกิดเป็นผัวมึงจะล้างพลานมึงจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วเขาก็ขาดใจตาย พอดิชันรู้อย่างนี้จึงหยุดพองยุบดังที่พระอาจารย์สอนแล้วขออโหสิกรรมต่อเขาจากนั้นก็อุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลที่เกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนาไปให้เขาหล่อนหันไปเรียนถามท่านพระครูว่าพระอาจารย์คะเท่าที่ดิชันเล่ามาไม่ทราบว่าที่ดิชันรู้ดิฉันเห็นอดีตชาติของตัวเองนั้น เป็นเรื่องจริงหรือว่าดิชันคิดไปเองคะถ้าเป็นเรื่องจริงสามีเขาจะได้รับบุญที่ดิชันอุทิศไปให้เขาหรือไม่และเขาจะอโหสิกรรมให้ดิชันไหมคะหลอนถามสามข้อในคราวเดียวกันสมภารวัดป่ามะม่วงตอบว่าญาติโยมทั้งหลายที่โยมเชิญสีเหล่ามานั้นอาตมาตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องจริงทั้งหมด ไม่มีตอนไหนเป็นเท็จเลยทีนี้อาตมาก่อจะตอบคำถามของโยมซึ่งถามรวดเดียวสข้ออาตมาได้ตอบข้อแรกไปแล้วยังเหลืออีกสองข้อตอบข้อสองว่าเขาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ตรงนี้อาตมาจะขออธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าเป็นบุญที่เกิดจากการทําทานเช่นถวายพัฒหารแด่พระสงฆ์ แล้วก็อุทิศกุศลไปให้ญาติโยมของเราที่ล่วงลับไปแล้วถ้าญาติเราไปเกิดในนรกไปเกิดเป็นอสุรกายเป็นเทวดาเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาจะไม่ได้รับกุศลนั้นแต่ถ้าไปเกิดเป็นเปรตประเภทปรทัตตุปะชีวิกกับเปรตจึงจะได้รับท่านอธิบายต่อไปว่าเปรตมีสี่ประเภทได้แก่ ปรทัดตุปาชีวิกะเปรตคูปิปาสิกะเปรตนิจชามัตันหิกะเปรตและกาละกันจิกะเปรตสมประเภทหลังไม่สามารถรับส่วนกุศลที่ญาติอุทิศไปให้แต่ถ้าเรามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วอุทิศไปไม่ว่าญาติเราไปเกิดเป็นอะไรก็ได้รับหมดอัตมาจึงได้กล่าวว่า การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาต่อไปตอบข้อสสามีเข า, เาโอโหสิกรรมให้เพราะเขาได้รับกุศลแล้วแต่สำหรับโยมการที่ไปเคี่ยนเขาจนตายนั้นก็ต้องขออโหสิกรรมจากเขาด้วยกลับไปให้นำพานถูบเทียนแพรและก็พวงมาลัยดอกมะลิไปกราบเท้าขอขมาเขา อ๋อตอนนี้เขาต้องการเงินหนึ่งแสนบาทโยมก็ต้องหาไปให้เขาด้วยจะได้หมดเวรหมดกรรมต่อกันท่านไม่บอกว่านายโทได้พบผู้หญิงคนใหม่อยากแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นแต่ไม่มีเงินเขาจะมาขอหล่อนหากหล่อนให้เขาก็จะยอมยาและไม่มารบกวนอีกเลยแม่เชิญสรีกราบเรียนท่านว่า ดิฉันไม่มีเงินเลยค่ะจะขอกู้พี่ชายก็คงไม่ได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติที่เป็นของดิฉันก็ถูกพี่สะพายยุให้โอนเป็นชื่อของพี่ชายหมดแล้วแต่ดิฉันจะค่อยๆ ค, คิดว่าจะได้เงินมาจากไหนถ้าลดลงอีกห้า0 0ืนไม่ได้เหรอคะพระอาจารย์หลอนเรียนปรึกษาไม่ได้ต้องหนึ่งแสนขาดตัวเพราะเขาอยากได้หนึ่ง0 แต่โยมไม่ต้องวิตกกังวลประเดี๋ยวลูกชายในอดีตชาติของโยมเขาจะให้เขาอยู่ในหอประชุมนี้วันสุดท้ายก่อนโยมกลับบ้านเขาจะให้หนึ่งแสนบาทแล้วยมก็จะหมดเวรหมดกรรมกับสามีผู้ปฏิบัติธรรมชายรู้สึกร้อนร้อ น, นหนาวหนาไปตามๆกันเพราะไม่แน่ใจว่าเคยเป็นลูกชายของสตรีผู้นี้หรือเปล่า บางคนรีบบนบานสารกล่าวว่าขออย่าให้เป็นเราเลยเจ้าประคุณเพราะเงินตั้งแสนแต่ถ้าให้หนึ่งแสนแล้วบุญกุศลช่วยกลับร่ำรวยเป็นสองเท่าก็น่าจะลองดูนอกจากท่านพระครูแม่เชิญสีและมารดาของหล่อนแล้วไม่มีผู้ใดรู้ว่าพระพิสุที่นั่งอยู่บนอาสนะนั่นแหละที่จะต้องจ่ายให้หล่อนหนึ่งแสบาทไม่ขาดไม่เกิน เดือนเมษายนก่อนวันสงกรานสามวันท่านพระครูลงรับแขกตามปกติสตรีสองคนที่นั่งแถวหน้าถามท่านด้วยคำถามที่ไม่ควรจะถามหล่อนถามขึ้นพร้อมๆกันว่าหลวงพ่อจำเราสองคนได้ไหมคะท่านตอบทันทีว่าจำไม่ได้หลอกโยมวันวันอาตมารับแขกเป็นร้อยคืนจำได้ทุกคนก็ผิดปกติแล้ว ที่จริงโยมสองคนต้องเปลี่ยนวิธีใหม่คือกับผู้สูงอายุโยมต้องบอกเลยว่าหลวงพ่อคะกราบนมัสการค่ะดิฉันหรือว่าโยมชื่อนี้นามสกุล น, นี้เคยพบหลวงพ่อทิ่ตรงโน้นตรงนี้อะไรทำนองนี้แต่ห้ามถามว่าหลวงพ่อคะจำหนูดิฉันโยมได้ไหมคะอะไรจะไปจาได้คนต่างเยอะต่างแยะนโยมนะ ผู้ที่นั่งรอคิวอยู่พากันคิดว่าเอวันนี้หลวงพ่อไปฉันรังแตนมาจากไหนนะโมโหโกรธาแต่เช้าเลยท่านรีบพูดขึ้นว่าอาตมาไม่ได้ฉันรังแตนแล้วก็ไม่ได้โมโหโกรธาเพียงแต่ไม่พอใจที่โยมเ้าถามคำถามที่ไม่ควรถามแต่ไม่มีอะไรหรอกอาตมาล้อเล่นนะ่ะ ท่านยิ้มกับญาติโยมโดยเฉพาะสตรีสองคนนั้นท่านรู้ว่าคนสองคนรู้สึกไม่พอใจเช่นกันที่ท่านไปพูดเชิงตำหนิพวกเขาว่ายังไงล่ะตกลงโยมเคยเจอกับอาตมาที่ไหนช่วยทวนความจําหน่อยอาตมาแก่แล้วเลยความจําไม่ค่อยดีท่านพูดยิ้มยิ้มสตรีสองคนค่อยหายใจทุบท้องคนหนึ่งตอบว่า โยมเคยเจอกับหลวงพ่อที่อินเดียค่ะที่หลวงพ่อไปเฝ้าพระควันเช่นเดียวกับโยมท่านเจ้าของกุฏิรีบบอกหล่อนว่าอาตมาไม่ได้ไปเฝ้าอย่าเข้าใจผิดอาตมาไปเฝ้าไม่ได้เพราะอาตมาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเพียงแต่ไปดูพวกลูกศิษย์เขาอยากไปดูกันก็นเลยตามเข้าไป เพราะมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันเสียงร้องเพลงดังมาจากด้านหลังว่ามาด้วยกันไปด้วยกันเหลือสุพรรณของเราหนี่เอ่ยท่านพระครูมองไปยังที่มาของเสียงก็เห็นทุกคนนั่งเงียบไม่มีพิรุษแต่ประการใดท่านจึงคิดว่าคนทุกวันนี้มีคนบ้ามากกว่าคนดีเราเองก็บ้าไปอีกแบบหนึ่ง พอถึงเวลาต้องลงมารับฟังปัญหาของคนอื่นคนดีที่ไหนเขาทำอย่างนี้กันท่านมองหน้าสตรีสองคนที่บอกว่าเจอท่านที่อินเดียและท่านก็นึกออกจึงถามคนทั้งสองว่าอา้าวเอาแหวนเพชรมาด้วยหรือเปล่าอัตมานึกออกแล้วว่าได้ชวนโยมให้มาเที่ยววัดป่ามะม่วงเอาแหวนเพชรมาด้วย ท่านพบสตรีทั้งสองที่สำนักของพัวันคนหนึ่งเอาแหวนเพชรอวดท่านบอกว่าพัวันคว้าจากอากาศมาประทานให้เมื่อสตรีผู้นั้นตอบว่าเอามาด้วยท่านจึงขอดูนหนขออาตมาดูหน่อยสิสตรีนั้นส่งแหวนให้ในายสมชายเพื่อส่งต่อให้ท่านเจ้าของกุฏิ ขึ้นไปหยิบแว่นขยายข้างบนมาให้ทีสิท่านสั่งนายสมชายโยมนำมาด้วยค่ะเจ้าของแหวนกราบเรียนหยิบแว่นขยายออกมาจากกระเป๋าถือส่งให้ในายสมชายนายสมชายส่งให้ท่านพระครูท่านใช้แว่นขยายส่องดูที่ด้านในของแหวนพบตัวหนังสือภาษาไทยอ่านได้ว่าไทยหงจึงบอกเจ้าของว่า นี่ชื่อร้านอยู่ในแหวนนี่อาตมาจะอ่านให้ฟังไทยฮงไทยฮงนี่อยู่ที่ไหนท่านถามสตรีทั้งสองคนเป็นเจ้าของแหวนตอบว่าอยู่บางรักคะ่ะแล้วทาไมไปคว้าจากอากาศที่อินเดียละ่ะก็พระพักควันท่านศักดิ์สิทธิ์นี่คะเจ้าของแหวนยังคงศรัทธาพักควัน สักสิทธิ์ถึงขนาดเอาแหวนจากร้านเขาไปแจกหรือแล้วแบบนี้ร้านเขาไม่ขาดทุนแย่หรือที่อยู่ๆแหวนเพชรก็อลอยออกจากร้านไปอยู่อินเดียให้พักวันคว้าเอาไปแจกญาติโยมถ้าโยมเป็นเจ้าของร้านโยมจะเสียหายไ้ยสตรีนั้นไม่ตอบเพราะไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรหลอนรู้สึกสับสน พระควรสักศิษย์จริงดังที่พวกสาวกพากันโฆษณาหรือหรือว่าหลอนถูกหลอกแต่หลวงพ่อคะโยมนำไปให้ร้านเพชรที่บ้านหม้อเขาตีราคาแล้วคะ่ะหล่อนไม่รู้ว่าพูดอะไรให้ดีไปกว่านั้นอย่างนั้นหรือแล้วเขาตีราคาให้เท่าไหร่ล่ะสองหมื่นคะ่ะและโยมถวายพระควันไปเท่าไหร่หนึ่งสคะ่ะตอบด้วยความภาคภูมิใจ มีใครบ้างที่จะทำบุญทีละตั้งแสนเหมือนหล่อนอย่างนั้นหรือแบบนิยมได้กำไรหรือขาดทุนละ่ะแล้วไหนค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักและก็ค่าอาหารอีกลองไปคิดดูนะถ้าคิดไม่ออกก็มาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้เจ็ดวันรับรองคิดออกแน่นอนท่านพูดยิ้มยิ้มญาติโยมนะที่นั้นพากันยิ้มตามท่านบ้างยิ้มมาก บ้างยิ้มน้อยบ้างก็แค่อมยิ้มยกเว้นสตรีคนที่ทำหน้าเหลอะหลาเพราะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแถมยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะยิ้มแบบไหนดีมากน้อยหรือว่าแค่อมยิม้ม